เออทุกนาทีความตายนะมันเดินติดตามเราเหมือ น, นเงาตามตัวนั่นนะ่ะแต่เราไม่ได้เอามากําหนดมาพิจิตร ณ, รณ า, าเลยไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเรายังยังยาวไกลอยู่มันไม่ไกลนะมันยาวอยู่แต่ข้างหลังที่เราผ่านผ่านมานั่นนะ่ะรู้ข้างหลังมันรู้สึกว่ายาวแต่ข้างหน้านี่มันสั้นเข้าไปเรื่อยเหมือนกับอืมเขา้าวทอหมู่นั่นแหละ พ อ, อ, อไปเรื่อยๆก็สั้นเข้าไปเรื่อยๆเงาวิทยุขายของเราก็สั้นเข้าไอ้สั้นเข้าไปถ้าเราไม่ประโยกพยายามประพฤติปฏิบัติสร้างคุณงามความดีเราเลยขาดทุนทูญดอกละมันไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมาพพหนึ่งชาติหนึ่งเสียประโยชน์เปล่าๆนั่นเป็นอย่างนั้นต่อ น, นี้ไปกำหนดพีนิ้พิจารณา อย่างเวลานั่งกาหนดไปกาหนดไปความร้อนมันเกิดขึ้นเราก็อย่าไปพ่อวงมันอันนั้นเป็นเรื่องของธาตุของขันของเขาอืมเราไม่ได้ไปเกี่ยวเราอย่าไปยึดถ้าเราไปยึดมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราไม่ยึดเราปล่อยเออเรากาหนดดูลมมันผมเข้าลมออกให้มันเห็น เราชอบดูฐานไหนเราก็ดูฐานนั้นแต่ตามหลักฐานมันมีอยู่ <c oughs> ที่ปลายจมูกบ้างที่ปลายจมูกที่หัวไทยคือกลางอกแล้วก็ที่สะดือแต่เราจะไปตามลมเข้าไปนะมันเหนื่อยปล่อยให้ตามสบายสบายนอกจากนั้นเราก็ตั้งมาหตั้ง ข, าาขึงนขง้นมาครั้งในกับมันต้นไมันก็อยู่ที่สะดือกลางมันอยู่ที่หัวไทย ไปกว่ายุที่จมูกนั่นแหละกลับไปกลับมานุโลมปฏิโลมอยู่นั่นแหละจนกว่าจิตของเรามันจะนิ่งมันจะสงบเมื่อมันสงบมันนิ่งเหมือนกับน้ํามันไม่มีสิ่งไปกวนมันไปรบกวนมันมันก็นิ่งเราชะโงกไปดูก็เห็นเงาของตัวเราเองอันนี้เราไม่สามารถเห็นเพราะใจของเรามันจะกวดแยงอยู่มันนั้น ดีดยังดิ่นอยู่ไปตามสัญญาลมสัญญาลมที่มันมาผ่านใจของเรานี่ยนอะอันนั้นก็เป็นนามธรรมามันกู่นแก่กันมันเลยเข้ากันได้แต่เราก็ไม่เข้าใจอือ่เพราะขาดการพินิจพิจารณาถ้าเรากำโนพินิจพิจารณาอยู่เรื่อยเออสิ่งนี้เหล่านี้มันเกิดขึ้นเออเมื่อมันพอใจ แล้วก็เกิดความยินดีเสียอหลงเหลืองไปเสียเพลนไปเสียถ้ามันไม่เป็นสิ่งที่พอใจเรียกว่าอนิจจ่ารมพลมที่ไม่ปาฏนาจิตใจของเราก็ขุนม่วเฒ่ามองนั่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะใจของเรามันยังอยู่ในโลกกระทัมแปดเออนะใจของผู้ถุกชนมันมันเกี่ยว ก, กั่วอยู่ในสิ่งเหล่านี้ แต่จิตใจของพระอริยเจ้าหรือของพระพุทธเจ้านั้นน่ะท่านก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้แหละแต่ท่านรู้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นท่านก็พยายามแยกแยะขี้กายให้มันรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นของก็มีอยู่อย่างนั้นแต่ประจําโลกอ ย, อ, ยอยู่อย่างนั้นท่านไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ไปสนใจเออปล่อยวางถ้าเราปล่อยวางได้เราก็สบายเป็นอย่างนั้น เดีย๋ยวนี้เรายัางแบกยังหามอยู่อืหามทาจีสันท่าแล้วยังไม่แล้วยังหามแบกหามอารมณ์อืดีก็เอาชั่วก็เอามันเป็นอย่างนั้นจิตของปุรุชนเออดีก็ชนชั่วก็ชนมันเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนของพระอริยเจ้าท่านแยกแยะไม่เห็นตามสภาวะความเป็นจริงแล้วท่านก็สามารถอยู่ เมื่อยังมีชีวิตยังมีลมปานอยู่ก็รับรับผิดเชอากันไปเสียเมื่อถึงการถึงเวลาก็สละไปเสียท่านไม่ไม่เสียดลมเสียดายอะไรเออนั่นเป็นอย่างนั้นอยู่ก็เท่าเดิมไปก็เท่าเดิมนั่นอยู่ก็มีประโยชน์สร้างคุณงามความดีเออไปเรื่อยๆนั่นแตอแต่ท่านไม่ได้แบกเอาความดีนะเออผู้ที่มาเกี่ยวข้องนั่นแหละได้เออ อย่างเห็นไหมเราไปหากุบาอาจารย์เราไปขอแต่บารมีขอพึ่งบารมีท่านอย่งนั้นอย่างนี้แน่แต่เรามันก็สร้างได้บารมีของสิ่งเหล่านี้มันขอกันไม่ได้เออมันไม่ใช่มันเป็นวัตถุเราก็ต้องสร้างเอาทําเอาท่านบอกว่าให้รักษาศีลเราก็ต้องใจรักษาเออเป็นทากว่าหให้ภาวนาเราก็ตั้งใจภาวนามันก็เกิดได้สิ่งเหล่านี้ เพราะมันเป็ น, ปนงานของทําของเราของงานของแต่ละบุคคลที่จะสร้างเอาทมเอาถ้าท่านแต่งสำหรับมาให้แล้วเราไม่รับประทา น, นก็ไม่ได้สำเร็จผลมันเป็นอย่างนั้นถ้าเรารับประทานความอิ่มมันก็เกิดขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรานั่งตั้งใจภาวนาจิตของเรามันก็สงบมันกเกิดเป็นสมาธิขึ้นปัญญามันก็แตกช้านขึ้นความรู้มันก็มีขึ้น อความดีกับทวีทวีขึ้นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่มันมันไม่เป็นนั่นก็เพราะว่าเราทํามันกระท่อนกระแท่นมันไม่เป็นภาวิตาบะโมลิกตาเออมันเลยไม่ไม่เกิดพอเรามันภาวงอยู่แต่ในข้างนอกเออนั่นแนะ่ะเราไม่โวกันมาข้างในมันเลยลืมเลยหลงหลงวนเวียนอยู่เออ เกิดขึ้นมาไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติเขาไม่ไมีรู้ว่าเจ้าของเกิดนั่นเป็นอย่างนั้นอืมเกิดไม่เกิดแล้วก็ดูที่ว่าวันพรุ่งนี้แล้ววันวานมันมีหรือไม่ ม, ม, มีเอีเราก็ดูตัวนั้นแหละอืมจึงจะรู้ว่าเราเกิดหรือไม่เกิดเราไม่ตรงไปไกลไปไกลเราไม่สามารถจะรู้ได้อย้อนไปไกลไปไปมากเราไม่สามารถรู้ได้ถ้เราอยู่ดูอยู่ใกล้ๆนี้เอาแค่ใกล้ๆเนี่ย มากำหนดกิณิพัฒ า, าเออถ้าเรากำหนดพิจารณาอยู่เรื่อยๆเออความรู้พิชามันก็แตกช้านขึ้นเออมันเรียกว่าพิญยมพิญญาไรที่ท่านกล่าวท่านสมมุติว้นยันนะ่ะเออมันมีทุกคนนั่นแหละเออถ้าทำ <c oughs> ตอบที่ไปกำหนด ลงอยู่ตั้งหกปีนั่นพระสาวกอย่างพระอัคาส า, าวกตั้งนั่นก็ตั้งแต่ก่อนก็เป็นส ม, า, มาธิวิชชาทิธฐิมาก่อนนั่นหลงมาก่อนเอออันนี้มันไม่โทษใครก็ไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นมันหลงได้ลืมได้เมื่อรู้ทางแล้วแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติสร้างคุณงความดีมันก็เกิดขึ้นอืม มากขึ้นมากขึ้นก็สามารถหลุดพ้นไปได้มันเป็นอย่างนั้นเราไม่สุดุมจะได้ละการเกิดพระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวความตายท่านจึงสามารถพ้นไปได้เรา เ, เจ็บนิดนิดน่อยๆกลัวแต่มันจะตายนั่นแต่มันก็ไม่พ้นตายมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ตั้งใจให้มันหลดเดี่ยวจริงๆทำของพระพุทธเจ้ามันเป็นของจริง สัจจะคือความจริงแลาต่อความจริงเขาว่าตั้งสัจจะให้มันจริงใจต่อต่อเจ้าของเองนั่นแหละคนเราถาชนะตัวเองได้แล้วเออมันก็ชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเออนั้นเป็นอย่างนั้นทำมาแน่นเลยเคยนั่งมากําหนดเรากําหนดทำบทไหนก่อนเอาทำบทนั้นล่ะนั้นกากับใจของเราต่อไปเรื่อยๆเที่พูดก็เป็นอุบายเฉย พูดใหฟังเฉยๆแต่การกระทาก็อยู่ที่เราคนเป็นผู้กระทาเองต่างคนต่างทากำหนดหูก็ฟังกำหนดเข้าสู่ใต้ลักเสียงมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่นั่นถ้าเรามีสติตามรู้แต่ทมแท้มันเกิดขึ้นที่ใจเมื่อใจของเรามันสงบ มันนิ่งแล้วมันก็เกิดขึ้นที่ใจรู้ขึ้นที่ใจเพราะธรรมมันมีอยู่นั้นไม่ได้มีอยู่ที่อื่นแันที่ท่านพูดไปพูดไปนั้นเป็นอุบายเฉยๆเราจะเอามาใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เอออันนั้นนะ่ะเพราะจิ่งเหล่านั้นมันเป็นอนิจจังอยู่เป็นสมมติแต่ธรรมแท้มันอยู่ที่ใจอันนั้นนะ่ะ ถ้าอันทีอน่อันที่พูดออกมานั้นเป็นสมมติบัญญัติัญญัตเฉยให้เราฟังให้พอเข้าใจแต่ทําแท้เมื่อเราประพฤติธปฏิบัติเราจะอหยิบออกมาพูดมันก็พูดยากเออมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่ทาเออไม่ทําจริงทําจังมันก็ไม่เห็นเราทาแค่ประเดี๋ยวประดามันก็ได้แค่นั้นเออมันก็เลยปิดปิดทำอยู่นั่นแหละเออ ทำวั น, นให้ก็ได้เค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นนั่นอะมันเป็นอย่างนั้นเพราะความอดทนวิริยะเราก็ไม่มีเออศรัทธาเราก็น้อยถ้าศรัทธาเราตั้งมั่นลงไปได้แท้ๆแล้วเออความอดเราก็มีวิริยะเราก็มีเออนั่นมันเป็นอย่างนั้นทำก็จะเกิดขึ้นก็รู้ขึ้นที่ใจนั่นแหละแต่ที่ท่านพูดมันเป็นอุบายให้เล่าใจเราเฉย แต่เราอย่ามาติดคำพูดอย่ามาติดอยู่ในบัญญัติเพราะอันนี้มันเป็นสมมติเป็นบัญญัติ hey, ท่านก็ให้มาเพิกสิ่งเหล่านี้แหละมาแยกแยะสิ่งเหล่านี้ออกจากใจให้ใจมันสบาย <c oughs> ให้ใจมันว่างให้มันปลอดโปรง่งเมื่อใจปลอดโปรง่งใจว่างแล้วเออนั่นละ่ะสบายระบายเออทำมันเกิดขึ้นที่นั้นเห็นขึ้ น, ข, นขึ้นอยู่ที่ใจนั่นแหละ แต่เดี๋ยวนี้ขนาดนี้มันยังไม่เกิดมันไม่รู้เพราะว่า ม, มันมีสิ่งอื่นเข้าไปแฝงอยู่เราพยายามแยกแยะที้กายเออออกคําว่าออกออกในที่นี้กับมันเป็นคําสมมติไม่ใช่ว่า น, นั่นแต่เวีลาเราจะแยกเป็นเป็นหน้าที่ของเราอยู่ที่อการกระทําของเราต่างหากอันนั้นอ่ะอันนี้เป็นอุบาย ออย่างท่านพูดไปพูดไปท่าน ม, มีปฏิภาณหานพูดมากปไปเรื่อยๆนั่นน่ะเออถ้าเรากําหนดดูเออเวลาเราฟังเนี่ยฟังอุบายนี่ยกําหนดเข้าภายในเออเราไม่ย้อนมาอยู่ข้างนอกอันนั้นมันเป็นเสียงเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่นั้นน่ะพอเรากําหนดย้อนเข้าไปข้างในข้างในมันจะมาได้แต่เสียงแค่นั้นแหละเออ ตัวนั้นมันกระดับกระับกระดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นเราพยายามกำหนดไล่ไปไล่ไปเออใจเราก็จะเพลินตามนั้นแหละเมื่อมันเพลินตามนั้นเนี่ยจิตเราก็จะสงบได้เพราะเรามมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเอฉะนั้นท่านจึงให้เอาทำบทใดบทหนึ่งมากำกับมากำกับใจของเราเพราะใจของเราเหมือนกับเราลอยอยู่ในมหาสมุทรมันเว่อรว่างไม่มีที่อาศัยไม่มีที่เกาะ เราก็พยายามหาทำบทใดบทหนึ่งที่มันถูกกับจริตนิสัยของเราเราก็เอาทำบทนั้นแหละมากาหนดให้มันให้เป็นเครื่องอยู่ของมันถ้ามันไม่มีเครื่องอยู่มันก็ล่องลอยไปตามสัญญาลมว่าดีมันก็ยึดว่าไม่ดีมันก็ยึดว่าชั่วก็ยึดอันนี้ให้เราพยายามแยกใจของเราออกเห็นไหมเวลาเรามานั่ง น, นั่งพอนั่งปุ๊บเข้าไป เออยังไม่ได้ห้าเลยแหละมันคิดไปนู่นการการอะไรกันยังไม่ได้ทำเสียเวล่มเวลามันก็ว่าไปของมันปุงแต่งไปนั่นะนั่นแหะจิช่วงนั้นมันยังไม่สงบมันยังไม่นิ่งมันก็เลยไม่มีกําลังพอทิจะมาพิจารณาแยกแยะว่าอท่านว่าทำมีอยู่ให้แยกแยะให้เป็นสภาวะตามความเป็นจริงคือหมายถึงว่าอันนี้จังทุกขังอ น, าตานัตตนั่นแหละเออ มันเกิดได้ดับได้เออมันเกิดมาแล้วมันก็มีทุกเออเมื่อมันทุกข์แล้วจะบอกไม่ให <re> ้มันทุกข์มันก็ไม่ได้มันกับเราเรียกว่าเป็นอนัตตานั่นน่ะบอกไว้ว่าอย่าไม่ฟังบอกก็ไม่แก่มันก็แจ่บอกก็ไม่เจ็บมันก็เจ็บมันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะโลกเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้เพราะเรายืมของเหล่านี้เราเขามาใช้อันนี้เรามันเป็นสมบัติของโลกสมบัติของแผ่นดินนี้ อย่างไรเรามาอาศัยเขาอยู่แต่ใจนั้นน่ะเมื่อมันออกจากร่างนี้ก็ไปสู่อีกร่างใหม่มันไม่ตายเพราะมันยังมันยังไม่เบื่อมันยังไม่เห็นมันยังไม่ทุกเห็นทุกของมันน่ะแต่เวลาทุกข์มันก็รู้อยู่แต่มันไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงถ้ามันรู้จริงมันก็ไม่จับมาปักมาคลองขันอันนี้เพราะรู้ว่าขันอันนี้เป็นทุกอยู่แล้วเป็นอย่างนั้น แต่จากนั้นให้เรากําหนดแยกแยะที้คายเมื่อทำไหนมันพดขึ้นที่ใจเราเอาทำนั้นแหละมาแยกแยะที่้คายให้เห็นตามสภาวะความเป็นจริงอย่างเวลาเรานั่งไปเกิดนิมิตขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นซากศพมันตายต่อหน้าต่อตาเราก็พยายามกําหนดแยกแยะที่้คายให้เห็นตามสภาวะความเป็นจริงมันเป็นยังไงคนตายหรือว่า ศักด์ตายหรืออะไรตายเนี่ยมันตายแล้วมันไปอย่างไรเราก็แยกพยายามแยกเวลาตายมันหมดลมปานแล้วลมมันไม่มีธาตุไอ้ลมมันก็ไม่มีขนาดธาตุไปมันก็ไม่มีมันเหลืออยู่แต่ธาตุน้ําเราพยายามแยกธาตุน้ํากับธาตุดินให้มันออกจากกันเมื่อแยกธาตุน้ำธาตุดินดินออกจากกันแล้วมันไปอยู่ไหนมันก็จะร้ายอยู่ได้ตามตามพื้นดินนี่แหละ เนี่ย <S an> ฉะนั้นพระพุทธเจ้าว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยกาหนดดูไอ้ชาติของเจ้าของเนี่ยเมื่อแล้วรู้ชาติได้แล้วเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติอามากองเท่าภูเขาก็ยังไม่นั่นนั่นน่ะมันขนาดนั้นแหละคนเราเดี้ยวเวียนไหวตายเกิดแต่เราก็ไม่รู้เออเพราะขาดการพินิจพิจารณาขาดการประพฤติปฏิบัติเพราะจิตของเรามันยังกวกแฝงอยู่ยังวุ่นวายขุ่นมัวอยู่มันเลยไม่เห็นไม่รู้ แฉะนั้นเมื่อเราจะทำให้จิตมันเห็นธรรมมันรู้ธรรมเราก็พยายามสร้างให้มันจิตมันนิ่งให้มันจิตเป็นเอกตาคือจิตสงบนั่นแหละเมื่อจิตมันนิ่งเออความดีเกิดขึ้นมันก็รู้ความชั่วเกิดขึ้นมันก็รู้ถ้าความดีเกิดขึ้นมันก็พยายามสร้างให้มันเจริญขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าความชั่วมันเกิดขึ้นเราก็พยายามแยกแยะพยายามละพยายามเว้นเออ ความดีมันก็สร้างความดีขึ้นมาเรื่อยๆความดีมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นให้เราพิจารณาดูดูที่ตั้งแต่ก่อนเรายังไม่เคยมานั่งไม่เคยมาประพฤติปฏิบัติเรานั่งคนเดียวปนเดายวก็ไม่ได้ อ, อนั่นเดียวกับเจ็บนั่นปวดนี่เพราะเราไม่เคยพอความเคยชินมันเกิดขึ้นจะประกอบด้วยศรัทธาความเชื่อมัน่นการประพฤติปฏิบัติของเราแล้ ว, ลวเราก็นั่งได้นาน แต่เราก็เพลินเพลินตามธรรมนั่นแหละเออนั่นละ่ะเอจนั้นเห็นท่านนั่งได้นานๆก็เพราะท่านเพลินตามธรรมนั่นแหละเออมันเป็นอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติแต่ปกติถ้าอยากให้มันรู้ทำเห็นทำจริงๆนั่นนะเออเมื่อเราประพฤติปฏิบัติเราพยายามนั่งให้มันสงบไม่ให้มีเสียงอะไรมารบกวนนั่นละ่ะเอจนั้นอ่ะกูบาอาจารย์ท่านจึงออกวิเวกเออ อาไปอยู่ตามป่าตามเขานั่นน่ะท่านไปอยู่งั้นเพื่อให้กายยะวิเวกเ อ, อกิตตะวิเวกกิตก็สงบกายก็สงบไม่มีสิ่งอะไรมาลุ ก, กวนนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นสิ่งภายนอกอย่างบุคคลอย่างนี้ก็ไม่เข้ามาลุ ก, กวนเราได้เพราะเราไปอยู่ตามป่าป่าตามเขาเมื่อออกประเพฤติปฏิบัติใหม่ต้องไปอยู่ตามอย่างงั้นมันจึงจะทําจึงใจจึงจะเจริญใจจึงจะ พบกับคำสงบได้นี้เอจนั้นเวลาเรามานั่งอย่างนี้เราก็พยายามแยกเออแยกเสียงออกเมื่อเสียงมันเกิดขึ้นวิธีแยกแยกอย่างไรเราก็น้อมเข้าสู่ตายรัก น, ะะนั่นแหละอันนี้จังมันมันเกิดได้ดับได้เกิดได้ดับได้อยู่นั้นมันเป็นอยู่นี้เมื่อเรากําหนดดูยแยกแยะดูเรารู้ตามสภาวะความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยไปตามสภาวะความเป็นจริงของเขาได้แล้ว เราก็ไม่ไปสนใจล่ะเราก็กําหนดเข้ามาภายในกว่วงตอกจาวานาะคือบนี่แหละส่วนไหนเราไปหลงเอแปไปพะวงอยู่ในส่วนนั้นเราก็พยายามแยกแยะส่วนนั้นแหละให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงท่านว่ามันเป็นอสุภะความไม่สวยไงามอย่างนี้เราก็พยายามกําหนดพินิจพิจารณาแยก <c oughs> บางวันนั้นบ้างวันนี้บ้างส่วนไหนแล้วไม่เข้าใจเราก็เอาส่วนนั้นเรามาแยกแยะ เมื่อมันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงแล้วส่วนอื่นเราไม่ต้องไปพินิษพิจารณาหรอกมันตกอยู่ในสภาพอันเดียวกันทั้งนั้นท่านจึงว่ามันมันราบเหมือนกับหน้ากองมันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสังขารมีใจคองก็ตามสังขารไม่มีใจคองก็ตามมันตกอยู่ในสภาพอันนี้แต่เราไม่รู้เราไปยึดอุปทานของเรานั่นะไปยึดรูปไปไปยึด เออนามเกาะไปยึดเตี้ยนั่นมันเป็นอย่างนั้นเยอะฉะนั้นเราพยายามแยกแยกสิ่งสมมุตินี้แล้วออกจากใจของเราใจของเราไปยึดไปเกาะไปเกี่ยวอยู่เราก็พยายามแยกที่ฝ่ายแยกแย ก, แยกออกเอออันนั้นเนาะแยกวันนั้นบ้างแยกวันนี้บ้างเออใจเราก็กระเบิกบาน่ะบันนั่นมันเพลินกับทำเออเกิดเพลินการไอ้กําหนดพินิจพิจารณาเนะี่ยแหละการนั่งภาวนาเนี่ยนะ ไม่ใช่ว่านั่งแบบสมาธิหัวต่ออันนั้นมันมันเกิดไม่ไม่เกิดประโยชน์ไม่มีความรู้เหตจฉะนั้นท่านจึงว่าโอประนัยกวน้องเข้ามาในก่้งตอกยาวานาคืบนี้แหละ <c oughs> อันนี้แหละเป็นหินรับปัญญาประเสริฐเลยที่สุดเลยการใ้เราดูพิจารณาดูล่างทายของเรานั้นนหลย <c oughs> พยายามส่วนไหนเราไม่เห็นตามสภาวะความเป็นจริงเราก็พยายามแยกแยะที่ลายออก เมื่อจิตเรามันสงบเมื่อมันเหนื่อยจิตมันเหนื่อยมันทํางานมากมันก็เหนื่อยเหมือนกับร่างกายนี่แหละพามันพินิษฐ์พิจารณาแยกแยะอนุโลมปฏิโลมมันเหนื่อยแล้วก็วัวเข้าไปพักเสียเมื่อพักพอสมควรได้เหนื่อยกําลังแล้วเราก็ย้อนออกมาพิจารณาอยู่นั่นเออพิจารณาวันนั้นบ้างวิสุญญาณวันนี้บ้างปัญญามันก็แตกสานของมันเองอันนั้น่เนี่ยจากนั้นเรามานั่งไม่ใช่ <c oughs> นั่งเพื่อส ง, งบเสฉยๆเรานั่งพิจารณาสร้างปัญญาของเราให้มันเกิดขึ้นเออถ้าเรานั่งอย่างเป็นแบบสมาธิหัวต่อมันก็ไม่เกิดประโยชน์นั่นมันเป็นอย่างนั้นถ้าเรานั่งแยกแยะที่คายปัญญาเราก็ อ, อรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆวิริยะความภาคเพียนเราก็มีขันติความอดทนมันเก็บตรงไหนแล้วก็ําเอาขันตินั่นแหละความอดทนนั่นแหละมาอดมากลั้นมันเออ ไอ้เราน้อมทินิษพิจารณามันเจ็บได้มันก็าหายได้นะอันนั้นอนะ่ะร่างกา ย, ยส่วนไหนมันเจ็บเวลาเรานั่งนานๆนั่นเราน้อมสู่ใจรักใช่แล้วก็เราก็ไม่ได้ไปพ่อง ก, กับพันหรอกสมมุติว่ามันเจ็บมากๆเอาไม่เอาใจไปจดจอ่อมันก็ไม่ไม่รู้สึกอะไรเรากําหนดดูลมอัศสาสะภาสาสะนนันเห็นไหรพระพุทธเจ้าท่านนั่งอยู่ในต้น โ, นโพนัะนะ่นน่ะใต้ต้นโพพึก น, ะนั่นนะ่ะท่านกําำนดยแยกแยะที้ไป อทําจิตให้มันเป็นหนึ่งให้เป็นเอกัตกตารมเมื่อจิตมันสงบแล้วได้แล้วอท่านก็เลือลกได้สะอาดเป็นร้อยร้ยชาติพันชาตินู่นเป็นหมืนหมื่นแสจจนแสนชาตินั่นนั่นล่ะจิตมันสงบจิตมันมีกําลังมันสามารถรู้ได้มันจะไกลแสนไกลเป็นอดีตมาไกลแสนไกลขนาดไหนมันก็รู้ได้แต่เดี๋ย ว, ยวนี้จิตของเรามันยังไม่รู้เพราะอะไรละ่ะเพราะมีสิ่งอื่นอยู่ แปลงอยู่นั้นน่ะเรียกว่าโมหะหรือเรียกอวิชานั่นแหละมันแฝงอยู่เราก็พยายามแยกพยายามที่คายออกพินิพิจารณาวันนั้นบ้างวันนี้บ้างท่านว่าใจมันมีผู้รู้อยู่ในนั้นอะไรเป็นใจเราก็พยายามกําหนดแยกแยะพิจารณาเอออย่างเราไปเข้าใจว่าหะไทยหรือว่าอันก้อนเหมือนกับตีกล้วยนั้นเป็นใจอันนั้นมันเป็นวัตถุธาตุเป็นวัตถุเรียกว่าธาตุดิน เออมันไม่ใช่ใจใจนี้มันเป็นนามธรรมาทำแท้ก็เป็นนามธรรมาหรือมันเลยเข้ากันได้นะอย่างร่างกายของเราเนี่ยเอออันนี้นเป็นในวัตถุธาตุเรามาอาศัยเขาอยู่เฉยๆมันเป็นของที่ไม่กิรังยั่งยืนเออไม่นานเดี๋ยวมันก็สลายไปมันกับสลายอยู่ทุกวินาทีนั่นแหละเออแต่เราไม่เข้าใจ เราไม่ได้กําหนดแยกแยะพิจารณาเลยเลยไม่รู้เพราะอะไรเราเพราะขาดสตินั่นแหละเพราะเราสร้างสติยังไม่สมบูรณ์เมื่อเราสร้างสติให้สมบูรณ์แล้วมันก็เกิดเป็นสัมปชัญญะสิ่งไหนมันจะสลายหรือไม่สลายเราก็สามารถกําหนดพิจิพิจารณาได้อยา่างว่าความตายอย่างเงี้ยท่านบอกว่ามันตายอยู่ทุกวินาทีเออทุกขณะเอเมื่อมันหายใจออก มันไม่กลับก็เรียกว่าตายหรือว่ามันกลับไม่ออกมันเรียกว่าตายนั่นน่ะเรากําหนดแค่นี้ดูแค่นี้เมื่อเราก็หนดดูรู้อยู่อย่างนี้ความประมาทของเราก็ไม่มีแล้วบ้านี้เพราะมันกลัวตายคนทุกคนกลัวตายทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าหรือกัลยเจ้าท่านก็กลัวตายนั่นแหละเออท่านจึงสามารถประพฤติปฏิบัติให้ใจของท่านมันรู้ทําได้เห็นทําได้นั่นน่ะ ท่านบอกว่าทรมีอยู่แต่ใจของเราไม่รู้ไม่เข้าใจเออเราไปติดในสมมุติเสียเออไปเห็นอยู่ในแต่ตำลับตำลาเอออันนั้นมันเป็นชื่อของทรทมแ ท, ท, ท้มันอยู่ที่ใจเราจะเอาไปเอาชื่อนั้นมนาใช้มันก็ไม่ได้เนี่ยทำแท้มันอยู่ที่ใจแล้วก็กาหนดย้อนเข้ามาพินิษฐพิจารณาดูนั่นอ่ะมันจึงจะเกิดขึ้นมีขึ้นแต่ที่ยังไม่เกิดเพราะว่า ใจของเรามันยังดิ้นมันยังกวักแปรอยู่มันยังกระโดดโลดเต้นอยู่เออมันเลยไม่มีกำลังไม่มีพลังเนี่ฉะนั้นถ้าเราอยากให้ใจของเราจิตของเรามันมีกาลังเราพยายามกำหนดให้มันเป็นหนึ่งเออเมื่อมันเป็นหนึ่งหล้อยก็ว่ามันสงบนั่นแหละมันก็สามารถรู้ได้เห็นได้เออกำหนดย้อนเข้ามาพิจนารณาอย่าไปอ่าไปดูข้างนอกที่หลวงปู่เท่าท่านว่า <c oughs> ข้างหน้าก็ไม่เอาข้างหลังก็งไม่เอาอันนั้นไม่ อ, อดีตอานาคตนั่นแหละเออแต่เราบางคนฟังแล้วไม่เข้าใจเอออ น, นั้นนเป็นงั้นถ้าทําให้มันเป็นเป็นธรรมมันก็ทําทําเกิดขึ้นแล้วมันสบายแต่ย่าให้มันเป็นธรรมเมาท่านว่านั่นแหละธรรมเมาเมาทุกอย่างคนเราเนี่ยเออเมาในรูปในร่างเมาในทรัพย์เดสมบัติเออเมาใน อร่างกายสิ่งของเงินทองอะไรนั่นแหะเราไม่ไม่เอามาไม่ไม่ได้เอามานํามาแยกแยะที่าใครเรานึกว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่กับเราจะเอจะตลอดอันนั้นมันไม่ไม่แน่นอนเอสิ่งอันนั้นมันตกอยู่ในนิจังอืมเราก็ไม่แน่นอนเหมือนกันอร่างกายธาตุสีด่ดินน้ําลมไฟของเราเนี่ยมันจะอยู่กับเราไม่ได้น า, นานเพราะสิ่งเหล่านี้มันตั้งอยู่ ออแล้วก็แปรปวนในธรรมกลางและสลายไปในที่สุดสิ่งของเหล่านี้มันเป็นอยู่อย่างนี้แต่เราไม่ได้กาหนดไม่ได้ไม่ได้มาแยกแยะมันก็เลยไม่เข้าใจ เ, ออเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเราก็เสียใจเสียเมื่อเกิดความเสียใจแล้วใจของเราก็เศ้าหมองขุ่นมัวเมื่อใจขุ่นมัวทุกขิมันก็เป็นที่หวังและบันมันก็ไปเป็นไปตามนั้นแหละถ้าเราพยายามแยกแยะขี่คาย กำหนดพินิษ์พิจารณาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อเราถึงเวลาเออมันมีเวลาทุกคนน่ะแหละการภาวนาเน่นะเราจะทำงานทำการอะไรอยู่ถ้าเรามีสติเรากาหนดอยู่ตลอดก็รเรียกว่าเราไม่ขาดการพัวนาเป็นอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าเวลาเราจะเวลาเรามานั่งหลับตาในเรี่อจริงจะเรียกว่าภาวนาไม่ใช่เออเราทำงานทำการอะไรอยู่ถ้าเรามีสติไม่เผลอ เขาเรียกว่าภาวนานั่นน่ะการภาวนานสําคัญอยู่ที่สติถ้า <c oughs> สติของเรามันพร้อมอยู่ทุกเมื่อทุกอริยาบทก็เป็นการภาวนาตลอดนั่นน่ะเว้นแต่เราหลับนั่นน่ะดูที่ใจของเราเนี่มันฟูงสัานหรือไม่ฟูงสัานมันเผลอเลยหรือไม่เผลอเลยขนาดมันนอนนอนหลับอยู่มันยังทํางานอยู่นะแอ่วพันฝันละเมอไปเรื่อยๆนั่นน่ะ อ, อขนาดเราพาพักผ่อนแต่ยังไม่พักผ่อน เพราะอะไรจิตดวงนี้มันเกาะมันยึดดีมันก็ยึดชั่วมันก็ยึดเอออะไรมามันกลัวมับมั บ, ม, บมับเลยนั่นเป็นอย่างนั้น เ, ออเห็นไหมความออสรรเสริญเยนยอ่เ อ, อเมื่อเขาสรรเสริญเยนยอ่อแล้วก็ใจของเราก็พองขึ้นเสียเมื่อถูกเขานินทาแล้วก็ใจหอ่อเหี่ยวใจเศร้าหมองนั่นเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ได้เอามานอานำมาพินิจพิจารณาเออ เราก็เลยหลงยึดอยู่นั่นแหละแตบัด น, นี้เวลาเราถึงเวลาเราก็มาแยกแยะที้คลายสายสติปัญญาของเรานั่นแหละแยกแยะที้คลายเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเราก็จะทันกลนอุบายของเขาเออนั่นน่ะอย่างธรรมดาแล้วก็ถ้าเราพินิจพิจารณาเออตามคำเขาว่าอย่างเขาว่าเราเป็นหมาเราก็น้อมลึก ด, ดูที่ว่าเรามีหางไหมเออ ถ้าเราไม่มีหางก็แสดงว่าเราไม่ไม่ใช่เป็นหมานั่นน่ะเออถ้าเขาว่าเป็นหมาก็แสดงว่าผู้เขาว่านั่นแหละเป็นหมาเราใจก็เราเราก็ไม่สะทกสะท้านเลยบัดเพราะเราเอาสิ่งเหล่านี้มาแยกแยะมาพินิจพิจารณาอยู่เรื่อยเมื่อเเขามาว่ามานินทาเราเราก็ไม่ได้สะทกสะทานเอเขาว่าก็เป็นเรื่องของเขาเ อ, อเราไม่รับ อ, อ่ากับผลได้กับแจกเขานั่นถ้าเรากําหนดพิจพิจารณาอย่างนี้ ได้เราก็สบายระเอยนอนอยู่ก็สบายนั่งอยู่ก็สบายทําอะไรทํางานการอยู่อะไรอยู่ก็สบายนั่นเป็นอย่างนั้นการประพฤติตปฏิบัติต้องเร า, เราต้องใช้ปัญญาของเราแยกแย ะ, ย ะ, ยะที่ไทยให้มันเห็นตามสภาวะความเป็นจริงอตอบไปนี้คําต่างคนต่างกําหนดอย่าไปหน่วงเวลาเออเมื่อสมควรเสียเวลาจึงออกเออต่างคนต่างออกแล้วก็เวลาออกอย่าไปให้แบบกระทบคนอื่น <c oughs> ให้พยายามออกเออเวลามันปวดแล้วก็กําหนดอย่าไปดิ้นบ่อยนักอะเราไปเปลี่ยนข้างนั้นบ้างข้างนี้บ้างอันนี้เรียกว่ามันปกปิดทุกมันเลยไม่เห็นตัวทุกมันเลยเลยไม่เห็นตัวทำทำแท้แล้วก็ทุกขังอาาริจังมันละฉะนั้นละทำแท้ให้เราถ้าเราอยากยู้รู้ทำแท้อะไรเรานั่งตั้งปจัจจาวันนี้เราจะนั่งตลอดรุ่งหรืออย่างที่ มันจะเห็นเกิดขึ้นเลยแหละทำนั่นนะ่ะแต่เราก็ไม่ชอบละความทุกข์นั่นนะ่ะเราชอบแต่ความสุขความสบายแต่ความสุขความสบายนั่นแหละจะพาให้เราทนอตอ ต, ตกทุกข์ได้ยากถ้ามันความทุกข์เกิดขึ้นแล้วกับพินิษฐพิจารณาดูซิอย่างคดีโลกอย่างเงี้ยเขาสร้างอนฐานะของเขาเนี่ยก่อนเขาจะตั้มจะรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาก็ต้องมีการทำ เออเออนั่นแหละเพราะอะไรเพราะความอยากล่ำอยากรวยนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันกา ร, ป, รปฏิบัติมันทุกเออเราเราก็เคยผ่านมาเราทํางานทําการอะไรอยู่มันก็ทุกเหมือนกันร่างกายอันนี้เพราะมันอยู่เต็มด้วยกองทุกถ้าเรากําหนดแยกแยะที้กายจริงแล้วนั้นมันก็ผ่านพ้นไปได้ต้องอยู่ที่ปัญญาของเราถ้าเราใช้ปัญญาแยกแยะพินิจ พ, พ, พิจารณา เราก็สามารถแยกแยะขี้คลายแทนมันผ่านพ้นไปได้เราไม่ไปพะวงกับมันเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมบัติโลกมันมีอยู่อย่างนี้เราจะเกิดขึ้นมาก็ตามไม่เกิดขึ้นมาก็ตามเขาเป็นอยู่อย่างนี้เขามีอยู่อย่างนี้ประจําโลกอันนี้อยู่เราก็แยกแยะขี้คลายพิจารณาเราก็ไม่ได้ไปสนใจกันนั้นล่ะร่างกายส่วนนั้นน่ะเวลามันเจ็บจนมันจะตายเนี่ะยน่ะมันยิ่งทุกข์กว่านี้จนอยู่ไม่ได้ จนกระทั่งตายนั่นแหละถ้าเราเอา น, นี้มามาแยกแยะมาใช้ปัญญาขี้กายเราก็สามารถนั่งได้จิตเราก็สงบง่ายนั่นเป็นอย่างนั้นเวลาความเก็บขึ้นมาแล้วก็ถือว่าทำนั่นมันแสดงออกเออมาแสดงออกมันแสดงออกส่วนไหนมันอยู่ที่ส่วนขาเราก็พยายามกําหนดพิดแยกแยะที้กายมันไม่นานหรอกเนี่ยมันก็หายความเก็บนั่นอ่ะมันเกิดขึ้นได้หายได้ พอมันตกอยู่ในอนิจจังถ้าทำแท้แล้วมันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้อย่างกำหนดจิตเมื่อจิตมันเป็นสมาธิจิตมันสงบถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วอันนี้ไม่ลืมถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นขั้นเกิดขึ้นขั้นเดียวนยั่นแหละแต่เราไม่ลืมมันฝังอยู่ใจนั่นแหละนั่นหละมันเป็นอย่างนั้นตอนเวลาเราเจอ ท, ทุกทรมานทุกเวทนาใหญ่ <c oughs> เข้ามานั่นเราจะ จวนจะละสังขาร น, นั่นหรอชวนจะตายนั่นแหละเราสามารถแยกแยะได้แต่เราก็สบายเลยวันนี้อะไรเราก็ได้ทําเอ อ, อย่างสิ้นเราก็มีทานเราก็มีอย่างเงี้ยภาวนาเราก็เลยได้สร้างได้ได้ประพฤติปฏิบัติเราก็ไม่ได้สะทกสะท้านเลยวันพเพราะอะไรไส้คุ้มค่าแล้วในร่างกายช่วงกว่วงศอกยาวานาคือแบบ น, นี้นั่นเป็นอย่างนั้นเอเมื่อถึงเวลาออการเวลาของเขาเราก็สละไปเสีย ปล่อยไปตามสภาวะความเป็นจริงเราก็สบายแล้ว <c oughs> <c oughs> ส่วนใหญ่ท่านนั้นท่านจึงว่าให้ภาวนาให้กําหนดเราจะอาทํำบทไหนามากํากับใจแล้วขอพยายามกําหนดอย่างบางต่างพุทธกาล <c oughs> เนี่อท่านว่าพระไปนั่งภาวนาอยู่ริมหนองน้ากําหนดดูนกกระยางมันไปจิกกินปลานเนี่ยนกกระยางมันจิกกินปลามันก็เพราะกลัวตายปลาก็าากลัวตายเหมือนกัน นั่นแหละกำหนดพอกำหนดย้อนเข้าไปถึงใจเออพอจิตมันเป็นสมาธิใจก็หายวูบเลยนั่นจิตเป็นสมาธิเราก็มาน้อมเข้ามาสู่กว้างศอกยาวานะคือเราก็กลัวตายเหมือนกันถ้าเรากลัวตายก็ตั้งใจประพืชปฏิบัตินั่นแหะจิตมันก็สงบเออจิตก็เป็นสมาธิรู้ทำเห็นทำสิ่งไม่เคยเป็นมันก็เป็นขึ้นนั่นแหละการภาวนาสิ่งไม่รู้มันก็รู้นั่นแหะแต่เดี๋ยวนี้มันยังไม่รู้ เพราะมันมีสิ่งอันอันหนึ่งแนละ้วไปแฝงอยู่ที่ใจนั่นแหละและว่าคําว่าใจมันอยู่ใน <c oughs> เราก็กําหนดมกำหนดย้อนดูซิคําว่าใจใจนั่ น, นอ่ะเออมันอยู่ตรงไหนใครเป็นใจเออพันจึงอุปมาปไมเหมือนกับเรานั่งอยู่เนี่ยใจดวงเนี้ยเหมือนกับเรานั่งอยู่ในศาลานี่แหละเวลาไฟไหมเราก็ต้องวิ่งออกนี้หรือว่าเรานั่งอยู่บ้านไฟไห ม, ไหมบ้านเราก็วิ่งออกนี้อันนี้ก็เหมือนกัน เวลาคนจะตายเนี่ยนะคนจะละสังขารเนี่ยนะเวลาไฟไหมเออแล้วเขาต้องวิ่งหนีอันนี้ก็เหมือนกันใจดวงนี้มันไม่มันไม่ตายมันออกจากร่างนั้นไปสู่อีกร่างใหม่ถ้ามันยังมีเชื้ออยู่เออฉะนั้นท่านจึงว่ากำหนดแยกแยะที่คายให้มันเกิดนิพพิทาความเบื่อนหน่ายถ้ามันเกิดนิพพิทาความเบื่อนหน่ายแล้วมันก็ไม่อยากมาเกิดอีกแหละเออมันเป็นอย่างนั้น เมื่อไม่เก um> ิด <old> ม <days> ันจะไปอยู่ที่ไหนไปไปอยู่ที่ไม่เกิดนั่นแหละอยู่ที่ไม่ตายนั่นแหละหนาหนับเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่เข้าใจแต่มันอยู่ที่ไหนบางคนกับท่านสมมติว่าเป็นอยู่โลกนั้นโลกนี้มันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกอยู่ที่กว้งศอกยาวาหําหนาคืบนี่แหละเอออย่างนิพพานเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปขึ้นสั้นฟ้าอะไรนะขึ้นไปหอบไปบนชั้นฟ้าอะไรมันก็อยู่ที่ใจนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้มันยังไม่เกิดยังไม่เป็น พอเราทําใจของเรายังไม่ว่างมันยังมีสิ่งที่มานรกปรุงรังอยู่ที่ใจของเราเราก็พยายามแยกแยะชี้คายแยกวันนั่งแยกวันนี้ว่างเวลานั้นว่างเว้นนี้วันวนี้ว่างใจมันก็เกิดความรู้เกิดความแตกสารขึ้นนั่นน่ะมันก็ไม่ไปยุ่งกันละปล่อยต่างคนต่างอยู่เมื่อยังมีชีวิตยังมีลมปานอยู่มีหน้าที่เขารับผิดชอบกันไปเสียตามหน้าที่ตามวาระของเขาเมื่อถึงเวลาเราก็ปล่อยสละไปเสีย พอเราได้สร้างคุณงามความดีเมื่อเราเกิดขึ้นมานอาศัยกล่องถาดดินน้ำไฟลมนี้แล้วนั่นแหะเพราะมันเป็นสมบัติโลกอืถ้าเรากําหนดแยกแยะพิจารณาอย่างนี้ได้การนั่งสมาธิความเก็บความปวดมันก็ไม่มีนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่ไปนสนใจเราสนใจผู้รู้ต่างหากดูผู้รู้นั่นแหะดูท่านแท้นัน่นแหะท่านบอกว่าอยู่ที่ใจเราก็กําหนดพิจารณาดูนั่นแหละ เดี๋ยวนี้มันยังไม่เกิดเอเพราะเราสร้างเหตุ ย, ال ยังไม่พร้อมยังไม่พอเมื่อเราสร้างเหตุพอ ال เหมือนกับเรา ร, รับประทานอาหารนี่แหละเมื่อเราเออ่รับประทานไปรับประทานไปอบางครั้งกอดชดบ้างบางครั้งกอดอิ่มบ้างบางครั้งกอดแล้วแต่พอถึงจุดนั้นมันอิ่มไม่ต้องไปถามใครหรอกจิตเป็นสมาธิก็เหมือนกันเรากําหนดดูแยกแยะที่คลายดู พอจิตมันเป็นสมาธิมันอิ่มของมันมันรู้เองของมันเอออันที่ไปถามเอานั้นเป็นทาถามทําไปขอเข้ามาอันเป็นสัญญาอันนั้นมันไม่ได้เรื่องมันเป็นเรียกว่าอันเป็นตกอยู่ในอนิจจังอยู่เห็นไหมเราสวดอยู่ทุกเช้านั่นสัญญานิจ่าเราก็ว่าอยู่แต่เราไม่เข้าใจอืมอันมันเป็นของไม่เสี่ยงสัญญาเนี่ยความความจำเนี่ยมันลืมได้หลงได้อืมอันนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าทําแท้แล้วมันไม่หลง ถ้ามันเกิดเปัญญาขึ้นเออสิ่งอะไรความชั่วมันเกิดขึ้นมันก็สามารถรู้คนอุบายของเขาอย่างทุกวันเนี้มันไม่ทันคนอุบายของเขาเนี่ยก็อยากไปนั่นเนี่ยก็อยากไปนี่คําว่าอยากนั้นก็หมายถึงตัณหานั่นแหละเออความทยานอยากแล้วก็แปลเวลาเราอ่านเราก็แปลเข้าใจอยู่แต่เราไม่ได้กําหนดมาแยกแย ะ, แยะขี้คายพิจารณาเราไปเห็นติด ตัวหนังสือตั ว, ตวอักษรเลยไม่เข้าใจแต่ทำแท้อยู่ที่กวางศอกยาวนารวานหนาคืบนี่แหละมันไม่ได้อยู่ที่อื่นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมการในกุญยในนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นอันนั้นมันเป็นหนังสือเป็นตําราเป็น อ, กอนักษรเฉยๆอย่างความทุกข์อย่างเนี้ยเราอ่านตลอดวันตลอดคืนมันก็ไม่ทุกข์หรอกถ้ามันไม่ไม่ไมันไม่เกิดขึ้นที่ใจถ้ามันเกิดขึ้นที่ใจหรือเกิดขึ้นที่ ข่วงสอกยาวานาคืบนี้ถ้าเราไม่มีสติออไม่มีปัญญาแยกแยะรู้สึกว่าทุกข์มากเจ็บมากปวดมากเวลาเราเก็บทำชุดมือว่าเป็นไข้ยอย่างเงี้ยไปเกิดพยาธิความเก็บไข้ขึ้นมาอย่างเงี้ยนั่นนะ่ะเวลานั้นนะ่ะถ้าเราเคยภาวนาเรามานั่งกำหนดแยกแยะรู้สึกว่าเพลินนั่นนะ่ะตอนนั้นนะ่ะเพลินไปตามธรรม เราดูเวลาเขาแสดงออกนะความเจ็บความปวดแล้วนะ่ะคนแสดงออกสามารถแยกแยะที่คลายได้ใจมันก็อยู่ส่วนหนึ่งกายมันก็อยู่อยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บมันก็อีกอยู่อีกส่วนหนึ่งนะเราเราใช้ปัญญาแยกแยะที่คลายได้นั้นเป็นอย่างนั้นเพราะมันอยู่คนละส่วนมันอยู่คนละอันแต่เราเนี้ยเดี๋ยวนี้เรามันเหมาออกหมดจ้ะอะไรก็ของกูอะไรก็ของกูเราไม่ได้พยายามแยกแยะ <c oughs> มันก็เลยเป็นอย่างนั้นมันเลยใจก็เลยพาทุก์นั่นแ่ะแล้วต่อนี้ไปพักันกําหนด <c oughs> จนกว่าจะถึงเวลาอืมแล้วก็ถึงออกเวลาออกจะไปรีบออกเวลาเราไปถึงที่พักของเราหรือว่าถึงบ้านเราอยากทําต่อเออมันก็เข้าเข้างะ เ, เข้ายากเข้าสมาธินั่นแต่ที่เป็นอดีตผ่านมาเนี่ยถ้านมันไปไม่เห็นพพวงมันนะเออ อย่างเรานั่งอยู่เมื่อวานนี้อย่างเงี้ยรู้สึกว่าจิตใจมันปลอดโปรงสบายจิตมันรวมง่ายหรือลงง่ายอันนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วให้ออกปัจจุบัน ร, รมเอออย่างจิตมันพวงซ่านเราก็พยายามกำหนดมันพ้งซ่านเพราะอะไรอะไรเป็นสาเหตุเราก็พยายามดูเหตุของมันมันมีเหตนนหนเนุนั่นแหละมันจึงเกิยังจึงเกิดผลนั่นแหละเราก็กาหนดแยกแยะที่ใครดู อ, อ่ เมื่อเรามีสติมีปัญญาแยกแยะขี้กายได้ <c oughs> ความสงบมันก็เกิดขึ้นได้อหัวใจของเราขณะ น, นี้มันทํำไมมันจึงไม่สงบมันไปจุติดอยู่ในส่วนไหนไปพระองค์อยู่ในส่วนไหนเราก็แยกแยกขี้คายสมมุติว่ามันไปติดทรัพย์สมบัติเมื่อทรัพย์สมบัติมันเกิดมันมีแล้วเราจะสามารถเอาไปได้ไหมเราก็พยายามใช้ปัญญาสอนใจของเราเออ แล้วเราก็ไม่ประมาทแล้วบัณฑ์เราก็ไม่ไปหลงอ้อนเป็นท่านกอสมมุติว่าเป็นปัจจัยแล้วปัจจัยเครื่องอาศัยเออชัววช่วว่างชั่วก้าวชั่วอายุไขของเราแค่นั้นถ้าเรามีปัญญามีวิริยะความเพียรอืมมีกําลังวังซาเราก็สามารถสร้างคดีโลกได้มากเออท่านจึงสมมุติว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเออแต่ว่าถึงว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ในอนาคตข้างหน้าก็ เดินเข้าสู่ความตายทั้งนั้นเออไม่มีใครอยู่คำฟ้าหรอกนั่นเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเรามีปัญญาแล้วก็เอาทรัพย์สมบัติอันนี้มาสร้างสร้างให้มันเป็นนามธรรมเกิดขึ้นเราจะแบกไปในท่านสมมุติว่าเป็นโลกหน้าโลกอะไรเนี่ยเราก็ไม่สามารถเอาไปได้เพราะมันเป็นสมบัติโลกอันนี้อเราก็พยายามทำมาวัตถุนั่นแหละให้มันเป็นนามธรรมให้มันเป็นบุญเกิดขึ้น บุญก็เป็นนามนธรรมใจก็เป็นนามนธรรมบุญมันเป็นตัวอย่างงก่อนพราฉะกับความสบายนั่นแหละเออความดีนั่นแหละเรียกว่าบุญะความทุกข์เรียกว่าบาป เ, เรียกว่าความชั่วนั่นแหละเราก็พยายามแยกแยะทำของพระพุทธเจ้าไม่มีมากกว่มีมีดีและชั่วนั้แค่นั้นแหละเออใจของเราก็อาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่ เ, เ<อ>มื่อความดีมากใจเราก็เบิกบานเมื่อความชั่วมากใจเราก็ห่อเหี่ยวมันก็แค่นั้นเออ ถ้าเราไปคิดมากมันก็มากเอออย่างสมมติว่าแหนเนี่ยเขาเบี่ยงไปเนี่ยเขาเบี่ยงไปแล้วรู้สึกว่ามันใหญ่ทําทํายังไงเลยจะให้มันน้อยเราก็พยายามดึงตัวกลางๆมันนั่นแหละก็เรียกว่าจอมอตรงกลางมันน่ะตะล่อมเข้ามาตะล่อ ม, มเข้ามากแค่น้อยนิดเดียวหรือว่าสมมติว่าความอะไรเนี่ยอวิชามันเยอะเยอะเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจนี่แหละ มันปลายแตกแขนงไปไกลๆนั่นมันเหมือนกับเผาวันนี่แหละเราจะปาบปากเผาวั น, นมันขึ้นไปทุงสูงนั่นนะเราจะไปปีนขึ้นทุงสูงก็ไม่ได้เออเดี๋ยวกลัวตกแล้วก็กําหนดแยกแยะคิดคายพิจารณาดูตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามามันอยู่ตรงไหนเรามีมีดเล่มเล็กๆแค่นั้นแ่ะไปตัดตรงรากมันเชื่อนั้นนะ่ะอันนั้นเราไม่ตรงไปยุ่งมันน่ะเดี๋ยวมันตายเองอันนี้ก็เหมือนกัน อวิชชาเนี่ยมันจะมากไม้เท่าไรก็สร้างหัวมันเราพยายามตะล่อมเข้ามามันอยู่ตรงไหนท่านว่ามันอยู่ที่ใจแล้วก็ตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามามายู่ดูจิ่ใจนั่นแหละเออพอรู้แ ล, แล้วแล้วก็ใช้สติปัญญาของเราหละแผดเผาเข้าไปคาว่าแผดเผา ก, กำหนดพินิพิจารณานั่นแหละเอออันนั้นเป็นคําสมมุติเฉยๆแต่เวลาเราฟังแล้วมันเข้าไม่เข้าใจก็เลยนึกว่ามันหลายมันไม่หลายหรอกถ้าเราตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามา ให้จิตมันเป็นหนึ่งแล้วเออสามารถปราบได้สิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะมากมายเท่าไหร่ก็มันไม่ไม่นั่นหรอกมันเหลือวิสัยไม่เหลือปัญญาของเราเออของแต่ละบุคคลสิ่งเหล่านี้เหล่านี้มันทําได้เออถ้าพระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าถ้ามันทําไม่ได้ท่านไม่สามารถที่จะดูดพ้นไปได้หรอกเอะมันอยู่ที่สติปัญญาของเราเดี๋ยวนี้สติปัญญาของเราอย่างมันไม่มากมันยังน้อยอยู่เราพยายามสร้างขึ้นให้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เม Ы ื่อสิ่งน้อยมันมากสีนี้สิ่งที่มันดีมันก็พยายามลดน้อยลงน้อยลดน้อยลงลดน้อยลงหนักมันเป็นอย่างนั้นต่ อ, ตอ น, นี่ไปกําหนดแยกแ ย, กยะที่กายพิจารณาดูทำแทบันเนีเ่ยเมื่อฟังอุบายแล้วก็ดูทำแท้มันแสดงขึ้นตรงไหนแล้วก็กาหนดแยกแยะที่กายพิจารณาดูเออเมื่อเรานั่งจิตยังไม่สม op, งบเงอแต่ละวันละวันเนี่ยเราพยายามอย่าไ ป, ไปเป็นห่วงเวลา ไปกำหนดเอาแค่เวลานั่นน่ะเพราะว่าเราไม่ได้ภาวนาเอาเวลาเราภาวนาเอาจิตดวงนี้ต่างหากคําว่าจิตคําว่าใจมันเป็นยังไงที่หลวงปู่เทศท่านเทสท่า น, า น, านให้อุบายนละ้วอันคําว่าใจหรือจิตรหรือเจตหรือมโนมันเป็นนาเป็นชื่อสมมุติเฉยๆถ้าเราน้อมกําหนดพินินจารณาให้มันเห็นเออ ย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาเ อ, อีเวลามันแสดงความโลดโผนนั่น เ, เราอย่าไปตกใจเอออย่าไปตกใจมันเออคาว่าตกใจกับอันเป็นคําสมมุตินะเอากําหนดให้มีสติบางครั้งมันมันดิ่งดิงดิงขึ้นเวลาเรากําหนดเออกาหนดไม่ให้มันลงข้างล่างนะจิตนะเออแต่วเวลาคนที่เป็นโรคปวดวายพยายามอย่าไปกําหนดขึ้นข้างบนเดี๋ยวมัน โลกของเรามันจะกําเริบพยายามกําหนดลงข้างล่างเราจะเอาจุดไหนเอาที่คอหอยบ้างหรือว่าที่ปลายจมูกหรือว่าที่สะดือจุดศูนย์กลางนั่นแล้วแต่หรือที่กลางอกเวลาเรากําหนดดูใจของเรานั้นถ้ากาหนดเพิ่มข้างบนหนึ่งว่าผู้ที่เป็นโรคปวดหัวยิ่งปวดดีไม่ดีเกิดคุมสติไม่อยู่อันนั้นเราเรียกว่าบ้าอ น, นั้นมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเรามีสติไม่เป็นหรอกการประพฤติปฏิบัติ พอเรารู้อยู่อืมบางครั้งกําหนดกําหนดเข้ากําหนดเข้าเนี่ยลมมันจะตีเข้าตีเข้าแล้วมันระเบิดตึ้งเลยแหละอันนั้นเน่ยอย่าไปหลงมันถ้าเรามีสติอย่าไปกลัวมันไม่ตายหรอกเออเอเพราะอันใจนี้มันกลัวตายอยู่แล้วเออเอ อ, เ อ, อมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ตายหรอกมันหวงมันห่วงอยู่แล้วเห็นไหมมันห่วงมันหว ง, หวงอ่างกวางศอกยาวาหนาคืบ เห็นไหมมันไปเวลาเรานั the the ่งมันเพลินไปตามสัญญาอารมณ์เออไปข้างนอกบางครั้งเรานั่งอย่งี้มันไปไม่รู้ยกี่โลกกี่สงสารเวลามไปแล้วมันไม่นานมันเดี๋ยวก็กลับมามันเร็วแต่เรากำหนดไม่ทันมันเออเพราะอะไรล่ะเพราะสติของเรายังไม่สมบูรณ์เราสร้างสติยังไม่สมบูรณ์ฉะนั้นการภาวนาพยายามสร้างสติมันมากแต่ยังว่า พาวิาวิตาบางฮุลิกาตาทำให้มากจเจริญให้มากเวลานั่งกำหนด น, น, นานๆกายมันก็จะเบาเขาเรียกว่ากาลหูตากายเบาจิลหูตาตกิตจเบ า, เาพอจิตเบาคาว่าเบาในที่นี้มันเป็นชื่อสมมุติเฉยๆนะเออจิตสงบนั่นแหละจิตเป็นหนึ่งนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหล ะ, หละควรแก่การนานแล้วเออเราก็ถอนออกมา กำหนดแยกแยกจีพินิพิจารณาก็ได้กันนะบางครั้งเวลาเรานั่งเนี่ยนั่งตลอดลุ่งบางครั้งมันมันมันกำหนดไปกาหนดไปถ้าเราสติไม่พร้อมเยเหมือนกับมันจะเหาะขึ้นไปเนี่ยแต่มันไม่เหาะหรอกจิตตัวนี้แหละมันโลดผนเออถ้าเราไปเผลอเราไปปล่อยมันเร็วๆเราไม่มีสติเหมือนกับมันตกลงพื้นนี่แหละแต่มันก็ไม่ตกมันก็อยู่นั่นแหละ พราใจดวงนี้จิตดวงนี้แหละมันพาเรานั่นมันมันยังเป็นมันมันยังไม่สมบูรณ์ยังเป็นบ้าอยู่เหตุนั้น่ะเราพยายามทําให้มันสมบูรณ์ให้มันเป็นไอมีความดีเกิดขึ้นอืมนั่นแหละมันเป็นบุญเกิดขึ้นเมื่อบุญเกิดขึ้นแล้วเออความชั่วมันเข้ามามันก็รู้ขน่ะความขี้เกียจที่ข้านก็ไม่มีเน่ยความขยันมันเพียนก็มากขึ้นมันเป็นอย่างนั้นเออเราต้งเจอดูตั้งแต่ก่อน เรายังไม่เคยนั่งเงี้ยเนี่ยเวลาจะพามันนั่งเนี่ยรู้รู้สึกว่ายากแสนยากมันปรุงมันแต่งไปการงานอะไรก็เหมืนยังไม่ทําอะไรก็ยังไม่ได้ทำบางครั้งมันก็ปรุงไปกลัวจะเก็บจะไข้จะป่วยกลัวจะตายแผลมันก็คิดปรุงแต่งอันนั้นมันคือคนอุบายของกิเลสเมื่อถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาแหละก็ไม่ทันคนอุบายเขาเราก็เลิกลาไปเสียเออกเสียการเสียเวลาไป <c oughs> ไม่เสียแต่เวลา อายุใครก็รากัหมดไปหมดไปสั้นพอไปสั้นก็ไปเมื่อถึงเวลามาจุรยาชก็ามาถึงแล้วก็หมดโอกาสละบ้านี้เออเมื่อใจนี้มันออกจากร่างไม่สามารถพิสพจน์ปฏิบัติได้แล้วมีแต่เขาจะไปเผาเผาไฟเอาไปกี่ทิ้งเจ้ะเนี่ยแค่นั้นเขาไม่เอาไว้หรอกเพราะกลัวเหม็นเอขนาดผัวเมียขนาดรัดกกันแสนรักเมื่อตายแล้วเมื่อลมพานออกแล้วไม่มีใครเอาไว้หรอกแค่นั้น นั่นล่ะเอามากําหนดมาแยกแยะพิจารณาแล้วก็ไม่ความขี้เกียจที่ค้าแล้วก็ไม่มีละบันความ ข, ขยันก็มากขึ้นมากขึ้นกามระวปฏิบษษษษษษษษัติอตอนนี้ไปกําหนดพิจารณาจนกว่าสมควรเจรเวลาเออเมื่อสมควรเจริเวลาเราก็เลิกถ้าใครมีศรัทธาก็นั่งไปเรื่อยๆก็ได้เออแต่จะเราไปปล่อยตามกุลมายาของกิเลสไม่ได้นะเออมันชอบแต่จะเลิกอยู่อย่างเดียวนั่นแหละอ เพราะเรากำหนดไปหน่วงแต่เวลาแล้วไม่ดูใจของเราเราดูใจจุนกวใจของเราจะสงบเพราะนั้นละ่ะเราสู้ได้นะมันไม่พังง่ายหรอกกวางศอกยาวานาคืบเลย น, นะธาตุีกันธาเนี่ยเออ